ขอความเจริญในธรรมจงมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่รมประโภติยานได้นำเสนอสอธิษฐานบา ร, รมีมาแล้วคราวหนอย่างที่บอกไว้ว่าเรื่องก่อธิษฐานนั้นที่ปรากฏในคำพีมันก็เป็นอุปการธรรมแก่ธรรมะทุกข้อหมายความว่าเราจะอยู่ระดับศีลเอง มันก็ต้องมีอธิษฐานคือหนักแน่นมั่นคงไม่อ่อนไว้ไปกับอารมณ์ที่เป็นเหตุให้ละเมิดศีลและโดยเฉพาะที่ชัดเจนเนี่ยคือระดับของอินทรีย์สังวรคือสำรวจระวังอินทรีย์เวลาสัมผัสการมณ์ข้างนอกอเหตุรูปความเสียงดมกลิ่นลิ้มรส ถ, ถูกต้องยึดรสนอนแข็งเนี่ยตามปกติแล้วจิตใจก็จะหวั่นไหว วันไววไปด้วยความรักความชังนะฮะไม่ใช่วันไววไปในดันในดดานหนึ่งทีนี้ภายในใจมันก็สะสมรักชังอยู่บ่อยๆก็ทําให้ใจมันไม่เข้มแข็งแล้วก็คล้ายๆกับเป็นพาหะของเชื้อโรคนะมันก็สร้างความเปลี่ยนแปลงขึ้นไปในจิตคือถ้าเราศึกษาในแนวของจิตวิเคราะห์ โดยเจนว่าความรักเป็นนั้นมากมันเกิดมาจากความรักและความรักเป็นนั้นมากก็เกิดมาจากความเกลียดความเกลียดเป็นนั้นมากก็เกิดมาจากความรักและความเกลียดเป็นนั้นมากก็เกิดมาจากความเกลียดเลยยุ่งเลยคือทำให้เกิดสับสนไปหมดแล้วบางครั้งบางคราวมันไปคล้าคๆกับบล็อกตัวเองไว้ เช่นสมมติว่าเรามีเพื่อนอยู่คนหนึ่งเนี่ยเราก็รักกับเพื่อนแต่ว่าพี่ของเพื่อนน่ะไปเป็นศัตรูกับไม่ใช่ไปเป็นเพื่อนกับศัตรูของเราตอนนี้เลยยุ่งเลยเพราะตามปกติแล้วเมื่อเรารักเพื่อนก็จะรักพี่ของเพื่อนด้วย แต่พอดีพี่ของเพื่อนเกิดเป็นเพื่อนของศัตรูของเราเราก็มองพี่เพื่อนเป็นศัตรูทีเนี้ยรักเพื่อนก็ไม่สนิทแหละในการเป็นศัตรูก็ไม่ถนัดการเป็นเพื่อนก็ไม่สนิทเพรา ะ, ะ น, นจิตใจที่อ่อนไหวไปด้วยความยินดียินร้ายเนี่ย มันจะเป็นจิตที่ค่อนข้างทุรพลคือไม่ค่อยมีกำลังแล้วบางทีก็ถูก บ, บังคับถูกบีบคั้นทางอารมณ์โดยความคิดตัวเองนะฮะความคิดตัวเองจะบีบคัน้นใจตัวเองแล้วในที่สุดมันก็ไปเลิกละไสิ่งดีงามที่กำลังประพฤติปฏิบัติอยู่พระเจ้าได้ทรงแสดงสภาพจิตของคนที่ เอาไม่หวันไหวก็แล้วกันเอาเอาวันไหวแต่ก่อนนะนะก็ทรงแสดงว่าคนที่ไปกําหนดกําหนดสิ่งสัมผัสนะกาหนดว่ารูปสวยเสียงไพเราะดีนอมรสอร่อยสัมผัสน่าจับต้องเนี่มันก็เห็นอย่างนั้นอยู่เรื่อยมันก็สะสมอยู่ภายในจิตเรื่อยแต่เรา่าลืมว่าจริงๆมันไม่ใช่กําหนดในแนวนั้นแนวเดียวพอตัวงานข้าวกับสิ่งนั้นเราก็ไม่ชอบ ก็กลายเป็นเรื่องของความรักแล้วก็ความชังมันก็มีเชื้อทั้งโทสะแล้วก็โลภะในขณะเดียวกันก็มีอาการขโมหะก็อยู่ตรงนั้นจากนั้นไปเนี่ยมันก็อยากดูอยากฟังอยากดมอยากลิ้มอยากชิมถากจับต้องก็กลายเป็นใจที่เล่นไปในรมทั้งหลาย ก็ชักจะไม่สํารวมไม่สํารวมระวังละก็เรียกว่าอินทรียสุอสังวุตังคือไม่สํารวมระวังในอินทรีย์ทั้งหลายต่อไปนั้นแล้วจะไม่รู้จักประมาณในการบริโภครวมถึงพวกอาหารอื่นด้วยนะแต่ว่าเอาไม่บริโภคอย่างเดียวก็แย่แล้วคือไม่สํารวมในการบริโภค จากนั้นก็จะอะไรความเพียรมันก็หย่อนความขีดข้ามก็เพิ่มขึ้นจิตใจก็จะอ่อนแอจิตใจจะอ่อนแอแบบเหมือนกับอะไรล่ะเหมือนต้นไม้ที่มันเกิดอยู่ริมริมตะลิงนลมพัดมาแรงๆน้ํำซาะแรงๆก็พังละจิตใจก็บุคคลที่อ่อนไหวไปด้วยความรักหรือความสั่งกระ า, ามจะมีลักษณะยอย่างนั้น ทีนี้ถ้ามองตรงกันข้ามมันมีปัญญาเป็นตัวนํามีสติเราเลึกรู้ถึงอารมณ์เหล่านั้นมันก็มองตามความจริงเพราะประเด็นสําคัญมันต้องมองตามความจริงคือเห็นโทษจริงเห็นคุณจริงเห็นสภาวธรรมก็จริงแล้วใจมันจะไม่แกว่งหรอกที่ใจแกว่งเนี่ยเพราะใจมันถูกลวงมันมันลวงเป็นมายา มันก็ส่งแสดงว่าอสุพานุปัสสิงวิหารต่างคือใครก็ตามที่มีปกติอยู่ด้วยการกำหนดว่าไม่สวยงามพอไม่สวยงามเนี่ยไม่ใช่กำหนดให้โกรธนะคือกำหนดเข้าถึงความจริงตัวเชนว่าจริงๆริงมันก็ไม่สวยงามจริงจริงนั่นแหละร่างกายเราก็ดูที่ตัวเราก็พอแล้วไม่ต้องดูที่คนอื่น ดอยาสีควันดูน้ําหอมดูสบู่ดูอะไรทไหต่างมันก็แสดงว่าร่างกายเราก็สกปรกอะ่ะเราจึงต้องขัดสีชวีวันกันเป็นการใหญ่แม้แต่มือล้างมือล้างเท้าอะไรท่างๆนี่ยนก็สปกปรกมือเราเองอาจจะเป็นพาหะของโรคอย่างตอนนี้รู้สึกว่าหมอก็ า, ารณรงค์เรื่องการล้างมืออยู่บ่อยๆเนี่ยหมอก็บอกว่าคนไทยเราล้างมือไม่ค่อยเป็น ถูกน้ําถูทูทั้งสามทีก็ถือว่าล้างแล้วแกบอกว่าล้างอย่างน้อยเนี่ยต้องให้ได้สักห้านาทีให้ความว่าถูที่ฝ่ามือฝ่อ า, ามือทั้งสองข้างแล้วก็ล้างให้มาจนถึงครึ่งแขนไปเลยเลยสะอาดแล้ว ก, ก็มีสาธิตวิธีล้างมือเนะี่ยเราก็ไม่ได้เคยฝึกเปลืออะไรมาแต่ก็เป็นเรื่องที่น่าคิดนะเรื่องที่น่าคิดเพราะว่าภะหะของโรคมันเข้าสู่ ตัวเราด้วยด้วยด้วยอวัยวะส่วนอื่นของเราเ อ, อ้ยเฉพาะมือเนี่ยมันก็ง่ายมากแต่พวกนี้พอไปศึกษาอะไรมากๆก็เจกยุ่งเหมือนกันเนี่ยเจกจะกินอะไรไม่ค่อยได้เหมือนกันบางก็พอสมควรคือมองด้วยความไม่สวยไม่งามนั้นไม่ใช่ไปรังเกียจถ้ามองรังเกียจมันก็เกิดโธสะมันก็ไม่ได้เรื่องอีกค่ะแต่มองเข้าถึงสภาวะที่จริงแล้วก็ไม่หลงยึดติดในเรื่องเหล่านั้น คือเราลองดูให้ดีว่าคนเราที่จริงไม่รู้จะโกรธกันทำอะไระนะเพราะว่าต่างคนต่างก็เป็นผู้อาศัยอาศัยโลกชั่วคราวเสร็จแล้วก็จากโลกนี้ไปแล้วไอ้ตัวที่เราโกรธเนี่ยที่จริงมันดินน้ำลงไฝ่บรรเมืองก็ตัวเราอะนะคนที่เราโกรธก็คือประกอบดินน้ำาลงไฝ่อากาศเราเองก็ประกอบดินน้ําลงฝอากาศเอมพิโกนดีมันโกรธ ก, กันได้ยังไง ก็จริงมันเป็นธาตุชนิดเดียวกันแต่แยกส่วนกันอยู่เท่านั้นเองแต่พอถึงจุดหนึ่งแกก็ผสมกันดินก็กับสู่ดินน้ำก็กับสู่น้ำลมก็กับสู่ลมไฟก็กับสู่ไฟอากาศก็ไปสู่อากาศมันก็เหมือนกันทุกคนเนี่ย น, นะที่มันตลกขึ้นยิ่งกว่านั้นนะ่ะบางทีในวัดวาอารามในพระอย่างทะเลาะ ก, กันยังนึนกว่าเออมันแย่แย่งอะไรกันมันได้มีอะไรเป็นของเราเลยนะในวัดนะ่ะมีแต่ของวัดเท่านั้นเอง แต่ก็ยังมีการทะเละมีการแข่งแย่งมีการแบ่งเป็นพวกเป็นหมู่อะไรก็ไม่รู้ดูมันรุงรังแล้วกันก็นึกดูว่าบางทีก็เหมือนกับไก่นะนะไก่ที่เขานำไปสู่โรงฆ่าสัตว์ยังจิกตีกันเบียดเบียนกันปะทุสรายการขนร่วงหล่นเยอะแล้วผลสุดท้ายก็ตายเ้วยกัน เพราะนถ้าเรามองกันโดยความรักก็ดี้วยความชังก็ดีมันมีปัญหาด้วยกันเพราะเราจะเห็นว่าในส่วนของร่างกายเนี่ยท่านก็สอนให้มองในแนวที่ว่ามันไม่สวยไม่งามแต่ในข้อความเป็นคนเนี่ยความเป็นคนก็มีชีวิตเนี่ยให้มองกันด้วยความเป็นมิตรคือมองก็ด้วยเมตตาแล้วก็เราสามารถที่จะอยู่ร่วมกันไปในสังคม โดยไม่ใช่อารมณ์ที่เราไปเกิดความรักความชังเนี่ยมันใช่อารมณ์มากแล้วก็ถ้ามองในแง่งไม่สวยไม่ไม่งามมันก็เกิดสํารวมระวังอินทรีย์ือไม่อยากดูมันก็เท่านั้นเนะ่ดูไปมันก็เท่านั้นเองคือไม่ได้เรื่องอะไรคือยังนึกถึงเรื่องข่าวคราวต่างๆที่จริงก็ไม่อยากจะฟังไม่อยากจะดูได้ว่า มันเรามีงานที่เกี่ยวกเกี่ยวข้องกับสังคมมันต้องบรรยายต้องอบรมต้องพูดอยู่ตลอดแต่เราไม่มีข้อมูลร่วมสมัยกับเขาเนี่ยมันก็สื่อสารกันยากเหมือนกันจะยกตัวอย่างอะไรขึ้นม า, าที่หนึ่งเนี่ยเราก็ไม่รู้พนรู้ตัวนี้ที่จริงก็รู้ในฐานะเป็นเครื่องมือที่จะเป็นอุปกรณ์ในการสื่อสารกันเท่านั้นเองแต่ถ้าไปหมกมุ่นมนเอาจริงเอาจังมันก็เสียเวลาก็าไม่ได้เรื่องอะไร อย่างที่บอกอ่ะว่าคราวๆเนี่ยมันมันนึกไม่ออกว่าเราได้อะไรไม่เป็นการนาเสนอว่าใครทำอะไรทำที่ไหนทำอย่างไรแต่ว่าเราก็นึกไม่ออกว่าเราได้ประโยชน์อะไรก็เพียงแต่ว่าได้รู้ว่าใครทำอะไรทำที่ไหนทำอย่างไรเท่านั้นเดงมันก็สามารถนาไปใช้เป็นอุปกรณ์ในการบอกกล่าว แก่คนได้นะคือบางเรื่องนะะบางเรื่องแต่เราต้องเอาไปปรับใช้เอาเพราะการนำเสนอก็ก็นนำเสนอขนาดนั้นทีนี้เมื่อสํารวมรองอินทรีย์แล้วก็จะรู้จักประมาณในการบริโภคปัตนาในกินอาหารมากเกินไปแล้วก็ไม่น้อยเกินไปเป็นธรรมปฏิบัติที่ทรงสอนเป็นหลักไว้เลยนะในโอวาตปฏิโมกยังวางไว้ เพราะปัญหาเรื่องปากเรื่องท้องเป็นปัญหาใหญ่มนุษย์ยังไงมันก็ต้องกินนี่นะแต่ถ้าเป็นธาตุของอาหารมันก็มีปัญหาพรวันก็ส่งสอนให้รู้จักประมาณในการบริโภคปัตตาหารความศรัทธาต่างๆมันจะเพิ่มขึ้นภายในใจเพราะอะไรเพราะจากการมองในแนวนั้นทำให้เราเกิดศรัทธาในพระพุทธเจ้า รู้จะแหวกวงล้อมของาภาพมายาทั้งหลายออกมาได้เนี่ยโอ้ยิ่งใหญ่มากนะเรานึกดูชายหนุ่มคนหนึ่งอายุ29ปีอยู่ท่ามกลางสาวสารกำนันนายล้วนแล้วแต่คัดสรรมาอย่างดีตลอดระยะเวลาจนทิ้งเด็ดขาดนั่นคืออธิษฐานเห็นไหมหนักแน่นมั่นคงไม่มีโยกครอนวันไหวตรงตรงเนี้ยกด็ดูแนวอธิษฐานเจน พอออกมาแล้วก็พยายามเข้ามาห้ามปรามประสิทธิ์ธาจะออกเลยเธอจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิแล้วจะใหญ่โตโมโลาร์มากนะอธิบายสปปรรพคุณการเป็นพระเจ้าจักรพรรดิเยอะไม่กลับเป็นการมุ่งมั่นที่เด็ดเดี่ยวก็ทํานองที่สิ่งเหล่านี้ตี ท, ท, ที่ในสังคมไทยเราพูดหรือประโยคไหง เกิดมาทั้งทีต้องเอาดีให้ได้ต้องไปให้ได้สักทางหนึ่งไปทางใดทางหนึ่งให้ได้นั่นก็คือลักษณะอธิษฐานคือหนักแน่นมันคงมุ่งมั่นไปก็ทําให้ประสบความสำเร็จแต่อย่าลืมเรื่องปัญญาเรื่องปัญญาพอตะขาดปัญญาแล้วไปอธิษฐานส่งๆไปยุ่งเหมือนกันนะนะไปหนักแน่นอยู่ในเรื่องที่ไม่ควรหนักแน่นเนี่ยแล้วก็ ศรัทธาความเพียรเขาก็จะเพิ่มขึ้นจิตใจก็จะเริ่มหนักแน่นขึ้นไปเยอยๆเรื่อยๆเราเหมือนกับท่านบอกว่าเหมือนกับภูเขาศิลาแทงแทงทึบอย่างที่ยกตัวอย่างไว้นะฮะมันไม่หวั่นไหวด้วยลมเึ่งพัดมาจากทิตยทั้งสี่เป็นพวกอธิษฐานบารมีที่อธิษฐานอีกอย่างหนึ่งนะฮะแต่อีกอย่างหนึ่งเราจะเห็นว่ามันเป็นผลของบารมี คือการที่พระโพธิสัตว์เมื่อรับเข้ามาทุกปายาตะนางสุจดาแล้วก็สบยหมดหมดทั้งถาดแล้วก็าถาดไปลอยน้ำอธิษฐานประธาพุรองจะได้จะสรู้อนุตตรสมาสพุธิยานแล้วเนี่ยขอให้ถาดลอยทวนกระแสน้ำถาดมันก็ลอยทวนลอยทวนกระแสน้ำออกไปอันนี้คือพวก พวกเป็นบารมีที่เป็นผลคือนำผลมาใช้หมายความว่าคนที่อธิฐานได้อย่างนี้ต้องมีบารมีมาขนาดนั้นนะบารมีที่อีกว่าไม่กี่ชั่วโมงจะเป็นพระพุทธเจ้าแล้วนะจึงสามารถอธิฐานได้แต่ว่าในแนวที่ถ้าเรามาดูในทศชาตินะทศชาติเรื่องพระเจ้าเนมิราช พระโพธิสัตว์มังเกิดเป็นในตระกูลกษัตริย์ทรงพระนามมเนมิราชอธิษฐานตรงนั้นมันเป็นมันเป็นเรื่องบุญยริตไปคือหมายความว่าเป็นอธิษฐานตัวผลตัวผลซึ่งทรงทรมาตลอดแล้วก็ทำไม่มีบารมีธรรมที่ ท้าสะกะเทวราชต้องนาต้องให้มาตุลีสารชีมานำไปท่องสวรรค์น่นนะฮะมาทัวร์สวรรค์ก็ยังนึกก็นเหมือนกันว่าเออบางก่อนคือคื อ, คอติดใจมานานในเรื่องเรื่องบางเรื่องแต่ว่ายังไม่ได้ไปเจาะรายละเอียดมากเพราะว่ามันไกลตัวมันก็แค่การ น, นำเชี่ยว นําเที่ยวสวรรค์นำเที่ยวนิพพานนำเที่ยวนรกนะนาเที่ยวนรกเนะี่ยหรือท่านแสดงเรื่องวิญญาณทิติและสัตตาร์วาดเอาไว้ยังขยับหลายครั้งอันนี้จะบรรยายที่ตึกสวอตัมมันทีเวสวันเสาร์แต่มันยาวคือกลัวว่าจะอธิบายไม่ทันมันชั่วโมงเดียวแล้วก็รายละเอียดมันเยอะแต่ก็ยังนึกว่าจะต้องใช้โอกาสหนึ่งเนี่ยบรรยายเรื่องตอนนี้ออกไป แนตรงนี้มันก็คล้กันแนวเ น, น, นวิราชแต่เ น, นวิราชนั้นมันไปเยี่ยมเทพบุตรเทพธิดาต่างๆแล้วก็จะมีการสอบถามถึงเหตุเที่ยคนเหล่านั้นเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นก็คล้ายๆกับเรื่องวิมานวัตถุที่พระโมคคลานะไปเที่ยววิมานแต่นี่เป็นเทวดานามาเที่ยวเอง อธิษฐานตรงนี้เราก็เห็นว่ามันเป็นผลคือเอามาใช้งานแล้วแต่ในทศชาติเนี่ยจะมีลักษณะอย่างนั้นอย่างปัญญาบา ร, รมีที่เคยยกตัวอย่างว่าพระโมสดท่านเกิดมาถึงท้ามีปัญญาแล้วเป็นสัจติกะปัญญาติดมาโดยกำเนิดอายุเ็ดขวบกว็าสามารถจะพิป า, า, า, ากษาวินิจฉัยอัตถกดีได้แล้วมันเป็นบา ร, รมีที่เป็นผลมาแล้วแต่ว่าจะพยายามพูดในเชิงที่เป็นตัวเหตุ เพราะว่าเราไม่ได้มีบารมีขนาดนั้นนะ น, นะเราต้องสร้างแต่ปัญหาว่าทำยังไงจะสร้างได้หลักการสำคัญก็คือว่าต้องมีความเข้มแข็งอยู่ภายในใจมีความชัดเจนในคุณค่าเนี่ยเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นตัวการหลักเพราะถ้าเราไม่ชัดเจนในคุณค่าของอุสธรรม ของบารมีธรรมเอาเราพูดเรื่องบารมีเนี่ยก็พูดบารมีธรรมก็คือกุศ ล, ลธรรมนั่นแหละมันต้องมองเห็นคุณค่าที่ชัดเจนแล้วเกิดฉันท่าอุตสาหะที่จะสัมผัสผลของธรรมะข้อนั้นๆให้ได้ระดับใดระดับหนึ่งก็ตามเราต้องพยายามสัมผัสให้ได้ถ้าทําได้มันก็กลายเป็นลักษณะนิสยัยคนนี้ไว้วางใจได้มีความเชื่อมัน่นมีความหนักแน่นมั่นคงรับปากเป็นธรรม แล้วก็มันสะท้อนปากกับใจก็ตรงกันปากพูดอย่างไงใจก็คิดอย่างนั้นใจคิดอย่างไงปากก็พูดไปอย่างนั้นมันก็คบง่ายนะฮะเข้าใจกันง่ายเป็นการสร้างลักษณะนิสัยของคนที่ไม่โอนไหวไปกับกระแสต่างๆซึ่งในปัจจุบันที่จริงก็ค่อนข้างทำยากเพราะว่ากระแสดันมันสร้างสรรอย่างดีเหลือเกิน ปรุงแต่งมาดีเหลืเอเกินจนมากแล้วคนก็อ่อนแออ่อนไหวไปตามกระแสที่ปลุกเรา้าเชิญชวนชักชวนโน้มน้าจิตใจของบุคคลให้ไหวตามไปเพราะแนวของการหนักแน่นเนี่ยจิตใจหนักแน่นคือถ้าเราดูที่ตัวอุปมาเนี่ยอุปมาว่าเหมือนภูเขาที่ไม่หวั่นไหวด้วยลมซึ่งพัดมาจากทิศทั้งสี่เนี่ ก็แสดงว่าเป็นการเน้นไปที่การไม่หวั่นไหวต่ออารมณ์ที่มากระทบโดยเว่าอารมณ์เนี่มันส่วนหนึ่งเนี่ยมันมาจากข้างนอกส่วนหนึ่งเนราคิดขึ้นเองเราหาเรื่องคิดเองแล้วทั้งสองอย่างนั้นแหละมันก็มีปัญหาด้วยกันทั้งนั้นตามปกติแล้วก็จะใช้ปัญญาเป็นตัววินิจฉัยตัดสิน ควรคิดหรือไม่ควรคิดควรไปไม่ควรไปควรดูไม่ควรดูควรทำไม่ควรทำควรพูดไม่ควรพูดเนี่ยก็แสดงปัญญาก็ต้องนําถ้าปัญญายังไม่ได้มีการวินิจฉัยมันมันจะออกมาในรูปสงสัยหรือหวาดกลัวนะจะออกมารูปสงสัยภาพลักษณ์ของสังคมเราจะอยู่ในโลกเนี่ย คือคนทั้งหลายที่อยู่ในโลกเราสรุปแล้วก็มีอยู่สองสองกลุ่มนะแต่อาจย่อยออกไปอีกมากคือคนที่รู้กับไม่รู้อารมณ์เดียวกันนะเรื่องเรื่องสัมผัสด้วยกันเนะี่ยตัวความรู้เนี่ยจะเป็นตัวตัวแปลว่าต่อไปเนี่ยก็จะคิดยังไงจิตใจก็จะเป็นยังไง รับสั่งสะท้อนภาพของโลกเอาไว้ไพเราะนะว่าสู่เจ้าทั้งหลายจงมาดูโลกนี้อันตรการลุดราชรดที่พวกคนเข่าคล่องอยู่แต่วพวก ร, รู้ไม่คล่องอยู่เพราะโลกนี่ในแวดวงแสงสีที่มีการจัดสรรกันเกิดเนี่ยปรุงแต่งกันไปเกินมันก็เหมือนกับราชรถที่วิจิตรงดงามคนก็หลงโลก คนก็สยบติดตัวกับโลกตรงนั้นแต่ในขณะเดียวกันถ้าเราสัมผัสโลกด้วยปัญญาใช้ปัญญาคิดใช้ปัญญาวิเคราะห์ตรวจสอบตัดสินให้ดีมันก็ไม่มีอะไรอะนะเราจะคว้าจะยึดว่ายังไงก็ตามเราก็ยึดไว้ไม่ได้เพราะมันเป็นส บ, บัติของโลกอย่างน้อยความกระสันอยากในอารมณ์ทั้งหลายนี่มันจะลดลงไป อย่าให้ถึงก็ทำผิดอะไรกันหรือทำยังไงอย่าให้จิตใจมันไหวอ่อนไหวไปจนถึงก็ทำผิดให้ตั้งมั่นอยู่ในกุศลนธรรมเอาอธิษฐานขนาดนั้นนะเคยตั้งมัน่นดำรงมั่นอยู่ในกุศลนธรรมแม้จะถูกโยกครอนใวนวันไหวล่ อ, อยั่วยุยวนยุยแ ย, ย, ย่เกิดความแตกแยกอะไรก็ตามก็จะไม่หวั่นไหว แต่ตามปกติแล้วคนเรายิ่งโตโตนะฮะอ่อนแอหลังสังเกตนะคนโตๆทั้งหลายเนี่ยถ้าเราไปต้องการจะให้ท่านเกลียดใครสักคนเนี่ยบอกว่าคนนั้นไปดินทาท่านอย่างนั้นอย่างนั้นไปว่าท่านอย่างนั้นอย่างนั้นไปเดียวก็ตาบาดแตกเราจะมีลักษณะอ่อนแอคือว่าท่านเหล่านี้มันต้องทะนุถนอมต้องครับผมครับผมต้องคนต้องเอาอกเอาใจต้องห้อมล้อมเขาทำมาอย่างนั้นแล้วเนี่ยเขาเขาก็โกรธอ ตาบรใหญ่ขึ้นโดยไม่รู้ตัวมันก็อาจยะดูข่าวหนังสือพิมพ์ฝรั่งก็ทำล้อเลียนประธานาธิบดีอเมริกาบินพินตันนะฮะว่าพอออกจากรมเนียบขาวแล้วต่อไปจะอยู่ยังไงก็คล้ายๆกับเป็นคนแก่ที่เหงาเศร้าล้างรถเองจัดบ้านเองทำอะไรเองหมดเลยซักผ้าเองทำหมดทำงานเองจะจะลักษณะว่าเวโ ด, ดเดียวเ ด, ดียวด้นะ แต่เราจะเห็นว่าถ้าเขาเข้าใจสมมติสัจจะชัดเจนเนี่ยที่จริงเ็ายิ่งสบายเ็ายิ่งสบายเพราะว่าเป็นการอยู่อย่างอย่างคนๆเนี่ยฮะดีกว่าอยู่อย่างผิดปกติเพราะว่าจิตใจจะไม่สงบแล้วก็จะสูญเสียความเป็นตัวของตัวเองเพราะนั้นปัญหานี้มันก็อยู่ที่มุมมองอ่ะไอ้ นังข่าวหนังสือพิมพ์ก็มองอีกมุมหนึ่งแต่ว่าคนนั้นแหละท่านจะมองยังไงก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเราเจนว่าอย่างอดีตประธานาธิบดีหลายคนที่ท่านยังสนุกสนานท่านไปไหนมาไหนได้สบายไม่ได้ไปเดือดร้อนอะไรต้องฟังทงั้งหลายแต่หลวงพุทธญาณในวันนี้ข อ, อยุติไว้ด้วยเวลาเป็นเท่านี้ที่สุดนี้ขอความจเจริญงอกงามไปบุญในธรรมจะมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี